A little b o love. สายันจะได้ ที่เธออิ่มมันช้นนางสดใส หัวใจฉันแทบจะวายตอนที่เธอสบตาฉันก็แทบจะาตายรู้ไหมฉันเจอละลายแล้วชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบเว้าตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้ นี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 Okay. Oh, จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนี้ oh baby, ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้บ สวัสดีครับคุณผู้ฟังสวัสดีวันศุกร์ที่30กันยายนครับก็เป็นสุขสิ้นเดือนนะครับุสขสิ้นเดือนกันยายนก็จะหมดปีงบประมาณ2565ครับและเข้าสู่เดือนตุลาครับก็จะเริ่มในเรื่องของปีงบประมาณ2566ต่อไปนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสภาที่บอกแนวทางว่า ปี66จะมีสิ่งไหนมีสิ่งใหม่มีการพัฒนาแนวทางไปในทิศทางไหนนะครับของทีมผู้บริหารก็ถือว่าจะได้ทราบครับว่าแนวทางแนวโน้มของการพัฒนาจะไปในรูปแบบไหนพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรคุณภาพชีวิตจะเป็นไปแนวทางไหน ซึ่งตอนนี้ครับก็ต้องติดตามอีกหนึ่งเรื่องก็คือในเรื่องของสถานการณ์ขยุนะครับซึ่งแม้ว่าจะอ่อนกําลังครับแต่ก็ส่งผลกระทบกับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับนีก็ครึมๆฝนก็โปรยปลายมาเกือบทั้งวันคุณนุฟังหยุดบ้างมีแดดบ้างครึมๆบ้างก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับ ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะว่าอากาศแบบนี้หลายคนบอกไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่บางคนก็บอกมันอึมครึมอึมครึมก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่างๆให้ดีด้วยนะครับ ใจเด้อที่เฮ็ดให้เฮาบ่เงามาช่วงหนึ่งกับขอบใจเด้อถอยคำสึ่งๆ่งที่ปลอบใจยามบ่มีภัยเป็นคนเท่าเออกจะเงาเงแต่บ่มีภัเอาไปใส่ใจมาคุยคุยแล้วก็หายเสียใจอยู่เด้ คือเถือกเทตอนห้องมูสึกดีแต่เพ่นไปบอดลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งซือ้อก็หูซสึกเจ็บเจ็บ่เคยจำย้อนว่าใจง่ายพอสีหักภัยกระจอักเสบเขาก็ไปไปตามสเตปแต่เห้าเสือกจริงจังอีลี ขอบใจเดิ้ที่มาเฮ็ดให้เฮาคิดว่าเฮาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันกับพ่อสำนัญเฮาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิมเขาบอดใดเสียดไดเฮาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเดิ้ลที่เฮ็ดให้เฮานั่งให้โดยที่โตบอดใคิดยัง ดึอเทตอนเขาหูซึกดีแต่เพิ่นไปบ่ได้ลาจากยาเริ่มมีหวังแต่ก็ต้องหมดหวังนั่งสื่อๆก็หูซึเจ็บเจ็บบกเคยจำยอนว่าใจง่ายพอสีหักภัยกระจอักเสบเขาก็ไปไปตามสเตปแต่เฮาเสือกจริงจัง ใจเดิ้ลที่มาเฮ็ดไมเพอคิดว่าเขาเป็นคนสำคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสำนันเขาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยจบกันลบชินเขาบอดใดเสียดายเขากะเก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจเด้ลที่เห็ดให้เขานังไห้โดยที่โตบ่ไรคิดยัง ให้เพคิดว่าเขาเป็นคนสําคัญแต่ความจริงมันก็พ่อสํานานเขาก็แค่แค่คนทั่วไปคุยจบก็ลบทิ้มเขาบอดได้เสียดายเขาก็เก็บเอามาปลื้มอ่านไปยิ้มไปขอบใจได้ที่เห็ในเขานั่งไท้โดยที่โตบอได้คิดอย่างจังได้ก็ขอบใจได้ 再多。 ร้านารูว์นี้คุณผู้ฟังผมยังเกาะติดในเรื่องของเทศกาลกินเจอยู่ครับเป็นเรื่องของอาหารธาตุเหล็กสูงครับสำหรับคนกินเจมังสวิรัตมีอะไรบ้างคุณผู้ฟัง เราสามารถรับธาตุเหล็กได้จากอาหารที่เรากินกันอยู่ทุกวันนะครับโดยธาตุเหล็กมักจะมีอยู่มากในอาหารประเภทเครื่องในสัตว์ตับและ ม, าม้าฟเลือดเนื้อสัตว์ไข่แดงไก่ปลาหอยกาบหอยแมลงผู้หอยนางรมอาหารทะเลต่างๆโดยธาตุเหล็กในอาหารกลุ่มนี้จะเป็นสารประกอบที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปได้โดยตรงและจะดูดซึมไปใช้ได้ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ธาตุเหล็กยังมีอยู่ในอาหารประเภทผักถัว่วธัญพืชต่างๆด้วยแต่จะเป็นธาตุเหล็กในรูปแบบสารประกอบที่ซึ่งต้องการดูดซึมจะทำได้น้อยกว่าแบบที่กล่าวไปข้างต้นครับหรืออาจต้องพึ่งปัจจัยการส่งเสริมการดูดซึมจากอาหารประเภทอื่นที่กินไปพร้อมกันด้วยอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงสาหรับสายกินเจมังสวิรัตมีอะไรบ้าง การรับธาตุเหล็กจากอาหารสายกรีนสายเขียวเช่นผักธั ญ, ญพืชและถั่วโดยไม่รับธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์ใดๆก็จะทำให้ร่างกายไม่ได้รับธาตุเหล็กในรูปแบบที่เป็นธาตุเหล็กชนิดที่ร่างกายดูดซึมได้ง่ายและดูดซึมได้ดีแต่ในช่วงที่กินเจหรืองดเว้นเนื้อสัตว์อยู่ธาตุเหล็กจากอาหารต่อไปนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีครับอันดับแรกถั่วครับ พืชตะกูลถั่วมีธาตุเหล็กอยู่บ้างเหมือนกันและมีอยู่ในถั่วหลายชนิดให้เลือกรับประทานแม้ว่าจะเป็นถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงถั่วขาวถั่วลิสงถั่วเหลืองถั่วไรจญี่ปุ่นถั่วลันเตาอัลมอนด์เม็ดมะม่วงหิมพานต์เต้าหู้ครับเต้าหู้ก็ทํามาจากถั่วเหลืองดังนั้นถ้าไม่ชอบกินถั่วชนิดขบเคี้ยวต่างๆอย่างข้อแรกมารับประทานธาตุเหล็กจากเต้าหู้แทนก็ได้ แถมยังทําเมนูเจได้อีกหลายเมนูด้วยครับและนอกจากธาตุเหล็กแล้วเต้าหู้และถั่วก็ยังเป็นอาหารที่มีโปรตีนอยู่พอสมควรทีเดียวมเมล็ดทานตะวันครับนยาพืชเคี้ยวเพลินอย่างมเมล็ดฟักทองขอพักครับมเมล็ดฟักทองก็มีธาตุเหล็กอยู่เช่นกันเลือกไปกินเล่นระหว่างวันหรือจะนําไปแต่งหน้าเมนูขนมเจต่างๆก็ได้ครับ และในเมล็ดฟักทองก็ไม่ได้มีแค่ธาตุเหล็กนะครับแต่ก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุต่างๆเช่นสังกะสีแมกนีเซียมหรืออยากได้โปรโตีนก็ได้เช่นกันหรือจะเป็นงาครับไม่ว่าจะเป็นงาดําหรืองาขาวก็ล้วนแต่มีธาตุเหล็กด้วยกันทั้งคู่แถมยังประกอบไปด้วยแร่ธาตุสาคัญอย่างโปรโตีนแคลเซียมแมกนีเซียมวิตามินอ e, ีและสังกะสีซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารอาหารที่มีความสําคัญต่อระบบเมตาบอลิซึม ดังนั้นใครอยากลดน้ำหนักไปด้วยก็จัดงาดำหรืองาขาวได้ตามใจใจชอบผักกูดครับผักพื้นบ้านอย่างผักกูดก็มีธาตุเหล็กอยู่พอสมควรที่สำคัญยังเป็นผักราคาถูกหาง่ายไฟเบอร์แน่นช่วยในการขับถ่ายในช่วงละเว้นเนื้อสัตว์จะนำผักกูดไปต้มกะทิหรือผัดผักเจก็อร่อยได้ทุกเมนูครับใบชะพลูครับน่าจะคุ้นเคยกันดีกับใบชะพลู โดยเฉพาะคนที่ชอบกินเมนูเมี่ยงต่างๆและใบชะพลูก็ไม่ได้แค่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นแต่ยังจัดเป็นผักที่มีธาตุเหล็กสูงอีกชนิดหนึ่งจึงมีสรรพคุณช่วยบำรุงเลือดอีกด้วยมะเขือพวงครับใครที่เมื่อก่อนเขียยมะเขือพวงออกจากจานทุกครั้งที่เจอก็ลองเปลี่ยนใจมาทานมะเขือพวงดูครับโดยเฉพาะคนที่ต้องการเสริมธาตุเหล็กให้ร่างกาย เพราักชนิด น, นี้มีทั้งธาตุเหล็กแคลเซียมฟอสฟอรัสและไฟเบอร์ในกลุ่มเพกตินซึ่งเป็นสารใยเ้นเป็นเส้นใยละลายน้ำช่วยเคลือบผนังลำไส้ช่วยในการย่อยอาหารและมีส่วนช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้เห็ดหูหนูครับเห็ดหูหนูก็เป็นเห็ดยอดฮิตในช่วงกินเจหรือในกลุ่มคนละเว้นเนื้อสัตว์เพราะนาไปประกอบอาหารได้หลากหลายชนิดทั้งต้มผัดยำนึ่งตุ๋น อีกทั้งรสชาติก็อร่อยเคี้ยวกรุบกรุบให้สัมผัสที่มากกว่าแค่เห็ดทั่วไปใครชอบก็จัดมาเพิ่มธาตุเหล็กให้กับตัวเองได้เลยครับน้ำลูกพรุนครับถ้าพูดถึงผลไม้ที่ช่วยในการขับถ่ายน้ำลูกพรุนจะติดโผลอีกอันหนึ่งครับเพราะว่ามีไฟเบอร์ชนิดละลายน้ําอยู่มากและผลไม้ชนิดนี้ก็ยังมีธาตุเหล็กที่เรามองหาพร้อมกับแมกนีเซียมวิตามินซีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆ อย่างไรก็ดีครับการรับสังหล็กจากพืชผักผลไม้หรือเห็ดก็จะได้รับน้อยกว่าในเนื้อสัตว์ต่างๆครับดังนั้นเพื่อเพิ่มการดูดซึมควรรับประทานอาหารธาตุเหล็กสูงร่วมกับอาหารที่มีวิตามินซีวิตามินเอและวิตามินบี12รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดื่มนมหรือยาลดกรดร่วมกับอาหารที่มีธาตุเหล็กด้วยครับเพอดขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กของร่างกายได้ด้วยครับ ก็เป็นสาระารู้ที่ยิ่ ม, มาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ครับ อายหูดีว่าเจ้ามีผู้หม่แล้วก็หูแล้วอายหูแล้วว่าอายบอกควรมาเจ้ายับเหตาทางว่าสัางลายบอกจำเป็นไอคงบ่ามาแค่อยากเว่าอยากจาก่าจากคำสองคกากระ thon ัน ย้อนเรื่องเดียวที่ข้างใจไอ้อยากลืมก็ลืมบ่ได้โจหูบอคืดทอใดไอ้กข็ขคืดบ่าพา่อคนที่หูคำตอบมีแต่เจ้าเท่านั้นย้อนยังเจ้าถึงได้ทิ่มไอ้ไปบาอกอ้ได้บอย้อนยังเราถึงต้องเลิกกันเนาะ ย่อนอยักน า, ากให้มันติดอยู่ในใจจนหัวพื้อตังกระทอนั้นเจ้บาบ่ต้องึ้ดว่าอายคนแท้สิผาอายลูกผู้ชายพอ เขาอยู่บอกเขาจักน้อยก็ได้บอกกับเขาให้เข้าใจอายบอได้ตามมางองช่วยบอกกับเขานําได้อยักคือลายเคลีย ก, กับเขาให้อ้ายได้บอบไอได้ตายได้ตอแค่มาถามเบิ้งกระทอนั้น ย้อนเรื่องเดียวที่ข้างใจอยอ้อยากลืม ก, ก็ลืมมาได้เจ้าผู้บอกคือทอดด้ไอ้ก็คือบอกพ่อคนที่หูคำตอบมีแต่เจ้าเท่านั้นย้อนยังเจ้าถึงเดดทิมมไอ้ไปบอกอ้ใดบอย้อนยังเราถึงต้องเลิกกันเนาะ มันย้อนอย่างกันบ่อยากให้มันติดอยู่ในใจจนฮอดมือตอนกระทอนัเจ้า บ, บ่าต้องค้ดว่าอายคนแค่สิบปอนไอลูกผู้ชายพอ ไกลมองหาทุกวันคนที่ไม่มีใครคนที่เงาเหมือนกับฉันถึงยังไม่ได้พบกันแต่ในทุกวันรู้สึกได้ว่าเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลา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 ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้นไม่รู้เป็นเช้าหรือบ่ายหรืออาจเป็นสายของครุงนี้คงเป็นตรงไหนสักที่วันนั้นสักวันไม่รู้เขาเป็น แต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างเจอรู้กันถ้าสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันกนลังเดินออกไป ฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบใครคนนั้น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 เดินให้ชาลงวันนี้ในทุกที่ที่เคยไปมันจะเป็นไปได้ไหมที่จะได้พบรายคนนั้น พยากรณอากาศภาคเหนือครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ล, ลำปางอุตรดิตสุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษนุโลกและเพชรบูรีอุณหภูมิตำสุด2 4่5สองศาอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาครับก็เป็นพยากรณ์อากาศถึง17บเนาาวันพรุ่งนี้ 80% นะครับสำหรับเรื่องของปริมาณฝนในช่วง17นากาวันนี้ถึง17นากาวันพรุ่งนี้ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับ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 ยานมืดแล้วสีเบ่งโบชัดเจนอยากให้ดอกไม้เบ่งบานเอาไว้สากลเป็นแบกรเราให้เอาอย่างเล่นกำลังฟินเด้อใจในทุกอย่างที่เป็นที่ได้พ่อได้เห็นในตอนนี้ oh. ขอบคุณหลยลายขอบคุณอายอีกทีโชคดีกว่าโชคดี นี่ ในเมืองหลวง allora แล้วเจ้ า, otras, าก็คงคิดถึงฟ e ังพรองริมบึงท้องหน้าและภูน้อยใหญ่แล้วเจ้าเหตุใจจังใดก็คงเหงาอยู่เดิมเหาอยู่เดิมเหาไม่เท่าเหงมานาล็อกที่จากอีสานบ้านนาต้อมาลำบากอยู่ในเมืองหลวง วังนักหนะ้าบ้านนะัคอยอยู่ตัวของเจ้ามาอยู่กรุงเทพแป่ใจใของเจ้าคงอยู่กับคนอีสานบ้านเฮาผู้คนเมืองลู่วังน้ำใจค่อนข้างขัดสน มากมายผู้คนติ้นร่นเอาตัวรอดกันบอกคือบ้านเฮาจิตใจมีไว้ผู้พันขาดเหลือช่วยกันแบ่งปันเหมือน รู้ฟังครับหมดเวลาของรายการเสียงตามส า, ายงานประชาสัมพันธ์ของทางเทศบาลตำบลศรีพนณมัติเมืองลำแหลแล้วนะครับพบ ก, กับบริการได้ใหม่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาและภาคเย็นตั้งแต่เวลา17นาฬิาถึง18นาฬิกาครับสำหรับวันนี้คงต้องนํำรายการจากลาคุณรู้ฟังไปแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ